จำแนกโดยแง่ด้านของความจริงแบ่งซอยได้เป็นสองอย่างอย่างที่หนึ่งจำแนกตามแง่ด้านต่างๆตามที่เป็นอยู่จริงของสิ่งนั้นๆคือมองเห็นแถลงความจริงให้ตรงตามที่เป็นอยู่ในแงนนน่นั้นด้านนั้นไม่ใช่จับเอาความจริงแง่หนึ่งด้านหนึ่งหรือแง่อื่นด้านอื่นมาตีคลุมไปอย่างนั้นไปหมดเช่นเมื่อกล่าวถึงบุคคลผู้หนึ่งว่าเขาดีหรือไม่ดี ก็ชีความจริงตามแง่ด้านที่เป็นอย่างนั้นว่าแง่นั้นด้านนั้นกรณีนั้นเขาดีอย่างไรหรือไม่ดีอย่างไรเป็นต้นไม่ใช่เหมาคลุมง่ายๆทั้งหมดถ้าจะประเมินคุณค่าก็ตกลงกำหนดลงว่าจะเอาแง่ใดด้านใดบ้างแล้พิจารณาทีละแง่ประมวลลงตามอัตราส่วนตัวอย่างวิพัฒวาธะในแง่นี้เจนคำสอนเกี่ยวกับกามโภคี หรือชาวบ้านสิบประเภทที่จะกล่าวต่อไปอย่างที่สองจำแนกโดยมองหรือแสดงความจริงของสิ่งนั้นๆให้ครบทุกแง่ทุกด้านคือเมื่อมองหรือพิจารณาสิ่งใดก็ไม่มองแคบๆไม่ติดอยู่กับส่วนแง่เดียวของสิ่งนั้นหรือวินิจฉัยสิ่งนั้นด้วยส่วนเดียวแง่เดียวของมัน แต่มองหลายแง่หลายด้านเช่นจะว่าดีหรือไม่ดีก็ว่าดีในแง่นั้นด้านนั้นกรณีนั้นไม่ดีในแง่นั้นด้านนั้นกรณีนั้นสิ่งนี้ไม่ดีในแง่นั้นแต่ดีในแง่นี้สิ่งนั้นดีในแง่นั้นแต่ไม่ดีในแง่นี้เป็นต้นการคิดจำแนกแนวนี้มองดูคล้ายกับข้อแรกแต่เป็นคนละอย่าง และเป็นส่วนเสริมกันกับข้อแรกให้ผลสมบูรณ์ตัวอย่างเช่นคำสอนเกี่ยวกับการมะโพขีคือชาวบ้านสิบประเภทนั้นและเรื่องพระบ้านพระป่าที่โวรยกย่องตีเตียนเป็นต้นซึ่งจะยกมาแสดงต่อไปข้างหน้าการคิดแนวนี้มีผลรวมไปถึงการเข้าใจในภาวะที่องค์ประกอบต่างๆหรือลักษณะด้านต่างๆ มาประมวลกันเข้าโดยครบถ้วนจึงเกิดเป็นสิ่งนั้นๆหรือเหตุการณ์นั้นๆและการมองสิ่งหนึ่งๆเหตุการณ์หนึงน่งๆโดยเห็นกว้างออกไปถึงลักษณะด้านต่างๆและองค์ประกอบต่างๆของมัน